เจิพรท่านสาสนิขชนผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2547ตรงกับวันพุธขึ้น8ขัง้งเดือนเจ็ดเป็นวันพระเป็นวันธรรมสนุสวรนระเป็นวันฟังธรรมการที่ญาติโย ได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอก็เปรียบเหมือนกับการมาสร้างหรือติดเบรกให้กับใจใจนี้ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์เวลารถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนถ้าไม่มีเบรกย่อมเป็นอันตรายต่อรถยนต์และผู้ขับขี่เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องหยุด ก็จะไม่สามารถหยุดได้เช่นเวลามาที่สีแยกไฟแดงแล้วเจอไฟแดงเข้าถ้าไม่มีเบรกก็ต้องฝ่าไฟแดงไปก็ต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือถ้าขับรถเร็วแล้วจำเป็นต้องหักเข้าทางโคง้งก็จะไม่สามารถหักเข้าทางโค้งได้ถ้าไม่มีเบรก ไว้ชะลอให้รถยนต์วิ่งช้าลงไปใจของเราก็เหมือนกับรถยนต์เช่นกันของพวกเราใจของพวกเราส่วนใหญ่นั้นจะมีเบรกน้อยแต่จะมีคันเร่งมากคันเร่งของใจก็คือตัณหาชนิดต่างๆเช่นความอยากในการเรียกว่ากาตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาในใจของปุถุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายจะมีคันเร่งที่จะคอยเร่งใจอยู่เสมอคือความอยากอยากไปเที่ยวอยากไปดูอยากไปฟังอยากไปรับประทานอย่างนี้เราเรียกว่ากามตัณหาความอยากในกามอยากมีอยากเป็น อยากจะเป็นสามีอยากจะเป็นภรรยาอยากจะเป็นพ่ออยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะเป็นผู้มีตําแหน่งสูงๆเช่นเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้ากองเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นกษัตริย์เหล่านี้เรียกว่าความอยากเป็นอยากมี เรียกว่าภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่แก่อยากไม่ตายอยากไม่ลำบากอยากไม่ยากจนเหล่านี้เรียกว่าวิภาวะตันหาถ้าเราสังเกตดูภายในใจของเราเราจะเห็นว่าเราจะมีความความอยากต่างๆเหล่านี้อยู่และความอยากเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัว ผักดันให้เราต้องไปก่อกรรมทําเข็นไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนความวุ่นวายใจให้กับเราอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะว่าใจของเราขาดเบรคแต่ถ้าเราได้มาที่วัดอย่างสม่ำเสมออย่างที่ท่านทั้งหลายทํากันอยู่นี้การมาวัดก็เท่ากับการมาติดเบรกให้กับใจ เพราะเมื่อเรามาวัดเราก็จะได้ทาบุญถวายทานรักษาสิงฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เป็นการสร้างเบรกขึ้นให้กับใจเบรกของใจก็มีอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความภาคเพียน 3. สติความระลึกรู้ สีสมาธิความตั้งมั่นของจิตและหปัญญาความฉลาดรอบรู้นี่คือเครื่องมือหรือเบรกของใจถ้าเราได้มาที่วัดเราก็จะได้มาสร้างเบรกให้เกิดขึ้นภายในใจอย่างเรามาวัดได้ก็เพราะเรามีศรัทธาความเชื่อเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทําให้จิตใจของเราพัฒนาจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีความสบายเราจึงมาที่วัดกันมาทําบุญถวายทานมารักษาศิ่งมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมถ้าเราพยายามมาอย่างต่อเนื่องเราก็มีวิริยะ ความอุตสาหะภาคเพียรพยายามเมื่อถึงวันพระเราก็มากันรือมเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราว่างจากภารกิจการงานเราก็มากันเราต้องมีความภาคเพียรมีวิริยะถึงจะมาได้ถ้าเรามีความเกียจคร้านเราก็ไม่อยากจะตื่นแต่เช้าเราก็ไม่อยากจะมาให้เสียเวลาอยู่กับบ้านนอนสบายกินสบายไม่ดีกว่าหรือ แต่เพราะเรามีความเชื่อมีความรักในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้เรามีความภาคเพียรและเมื่อเรามาประกอบสิ่งต่างๆที่วัดเราก็ต้องมีสติคือเราต้องมีความระมัดระวังรอบคอบ มีความระลึกรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากาลังทำอะไรเวลาเราตักบาตเราก็ต้องมีสติขณะที่ตักข้าวออกจากบาตตักข้าวเข้าไปในบาตเราก็ต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ทัพพีไปกระทบกับกำบาอย่างนี้ก็ต้องมีสติสติก็คือการระลึกรู้คือควบคุมจิตให้อยู่กับกิจกรรมต่างๆที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น กำลังตักบาตรก็ให้มีสติอยู่กับการตักบาตรกำลังถวายทานก็ให้มีสติอยู่กับการถวายทานกำลังฟังเทศฟังธรรมก็ให้มีสติอยู่กับ ก, บการฟังเทศฟังธรรมคือให้ใจรับรู้เทศที่กำลังมาสัมผัสที่หูเข้ามาสู่ใจอย่าให้ใจลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องราวต่างๆนาน า, น า, นาเมื่อ เรามีสติควบคุมใจจิตของเราก็จะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือจะตั้งมั่นจะตั้งอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่กับภารกิจการงานที่เรากำลังทำอย่างในขณะนี้จิตของเรากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่จิตของเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาและไม่คิดถึงเรื่องอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไป ขณะนี้เรากําลังฟังธรรมเราก็มีสติควบคุมจิตให้รับรู้กับการฟังเมื่อเราสามารถควบคุมสติให้อยู่ต่อเนื่องกับการฟังจิตก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นจิตก็จะสงบตัวลงนะการตั้งมั่นของจิตนั้นก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือสมาธิมีสองลักษณะคือสมาธิที่อยู่กับการทำงาน เรียกว่ามีสมาธิอยู่กับการทำงานเวลาอ่านหนังสือก็มีสมาธิอยู่กับอยู่กับการอ่านหนังสือเวลาทำงานทกากิจกรรมต่างๆก็มีสมาธิอยู่กับกิจกรรมการทางานต่างๆเหล่านั้นถ้าเรา ม, ามีสติมีสมาธิอยู่กับการทำงานงานทำงานของเราก็ย่อมเกิดผลขึ้นมาจะไม่เกิดการผิดพลาด เพราะเรามีความจดจอ่อคอยเฝ้าดูอยู่ผลดีก็เกิดขึ้นมาเช่น mm. ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมาเกิด mm. ความรู้เรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอย่าไปคิดว่าคนที่ฟังธรรมทุกคนนั้นจะฉลาดเพราะถ้าฟังไม่เป็นฟังไม่ถูกก็จะไม่รู้เรื่องเช่นเวลาฟังก็นั่งคุยกัน อย่างนี้ก็จะไม่ได้รับเรื่องรับรู้เรื่องต่างๆหรือฟังแล้วไม่ได้คุยกันแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่<ม>ก็ไม่รู้เรื่องที่กำลังฟังอยู่เหมือนกันว่าพระท่านกำลังเทศกำลังสอนเรื่องอะไรอยู่แต่ถ้าเราตั้งใจฟังด้วยสติควบคุมจิตให้รับรู้กับธรรมะที่เข้ามาสัมผัสกับใจแล้วก็พิจารณาตาม จิตของเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมาเพราะธรรมะสอนให้คนเป็นคนฉลาดนั่นเองธรรมะสอนเหตุสอนผลสอนความจริงเมื่อเรารู้เหตุเรารู้ผลแล้วเราก็สามารถแยกแยะได้ว่าเหตุอันใดเป็นเหตุที่สร้างความเจริญเหตุอันใดเป็นเหตุที่สร้างความเสือ่อมเมื่อเรารู้เราก็จะสร้างแต่เหตุที่ สร้างความเจริญส่วนเหตุที่สร้างความเสือ่อมเราก็ลดละไปเช่นเรารู้ว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นการกระทำที่เกิดโทษขึ้นมาเช่นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกัางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรความเกียจคร้านถ้าเรารู้ว่าเหล่านี้เป็นเหตุของความเสือ่อมเราก็ พยายามลดและอบายามุขต่างๆเหล่านี้พยายามเลิกพยายามอย่าไปคบกับคนที่เขามีพฤติกรรมกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเขาเขาก็จะต้องชวนให้เราไปกระทำในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าเราเสียดายเพื่อนเราก็จะเสียตัวดังนั้นถ้าเราต้องพบกับคนที่เขาจะช่วง ชักจูงให้เราไปในทางที่ไม่ดีเราต้องเลือกตัวเราไว้ก่อนอย่าไปเลือกเพื่อนเพราะเพื่อนนี่มีอยู่มากมายก่ยกองมีเป็นล้านเราสามารถเลือกได้เพื่อนมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนที่ไม่ดีถ้าเพื่อนไม่ดีจะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปกับเขาเราเบรกใจเราไว้เบรกด้วยปัญญาคือไปแล้วเสียตัว แล้วเราต้องมาเสียใจทีหลังอย่างนี้อย่าไปดีกว่าอย่าคบกับเขาดีกว่านี่เรียกว่าปัญญาแล้วเคยเกิดความฉลาดเกิดความรู้ผิดถูกดีชั่วรู้เหตุรู้ผลของความเจริญและความเสื่อมทั้งหลายเมื่อรู้แล้วเราก็สามารถยับยั้งจิตใจของเราไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ นี่คือความหมายของเบรกใจเรามีเราต้องเจริญธรรมะทั้งห้าประการนี้คือเราต้องมีความเนื่องสายศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาของเรานั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าก็ต่อเมื่อเราเข้าหาบัณฑิตเข้าหาผู้รู้เข้าหาพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านแล้วเราก็จะเกิด ความเข้าอกเข้าใจในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนในที่สุดเราจะรู้ใจเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเราถึงขั้นนั้นแล้วเราจะไม่มีความสงสัยในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเลยความเชื่อก็ไม่มีความจำเป็นต่อไปเพราะเราเห็นความจริงแล้วเมื่อเห็นความจริงแล้วความเชื่อก็ไม่จำเป็น ความเชื่อนี้เป็นเหมือนกับตัวนำทางให้เราเข้าไปสู่ความจริงเมื่อเราเห็นความจริงแล้วเราก็ไม่ต้องเชื่ออีกต่อไปคนชื่อคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มีผลกระทบกับความเชื่อของเราเพราะเราเห็นด้วยตาของเราแล้วเรารู้ด้วยใจของเราแล้วว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเช่นเวลาใครให้ยามารับประทาน แล้วบอกว่ายานี้รับประทานเข้าไปแล้วจะรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ได้เช่นเวลาเราไปหาหมอแล้วหมอเขาวินิจฉัยโรคของเราเสร็จแล้วก็สั่งจ่ายยาให้เรารับประทานถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในหมอเราก็จะไม่กล้ารับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอสั่งให้นั้นจะสามารถรักษาโรคของเราได้หรือไม่ แต่ถ้าเราเชื่อหมอเรายอมเสี่ยงยอมตายเชื่อว่าหมอไม่โกหกหลอกลวงเราเชื่อว่าหมอมีความเมตตามีความหวังดีกับเราเราก็รับประทานยาที่หมอสั่งให้รับประทานเมื่อรับประทานไปแล้วเมื่อโรคหายเราก็รู้ว่ายานี้เป็นยาที่ถูกต้องใช้ได้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ต่อไปเราไม่ต้องเชื่อหมอก็ได้ เวลาเราเป็นโรคนี้เราก็ไปหายานี้มารับประทานเองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายของความเชื่อความเชื่อนั้นไม่ได้เชื่อเฉยๆไม่ได้เชื่อแบบงมงายเชื่อแล้วต้องนาไปพิสูจน์พราะพุทธเจ้าสอนว่าให้ละเว้นจากอาบายมุขต่างๆเราก็ต้องพิสูจน์ดูว่าหลังจากที่เราละเว้นจากอาบายมุขต่างๆแล้ว ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเราเลวลงและสอนให้เราละเว้นจากการกระทําบาปทั้งปวงเช่นให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกพูดปลดลดเท็จอย่างนี้เราลองไปประพฤติดูแล้วดูสิว่าชีวิตของเราจะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อมลงนะ การดูความเจริญความเสื่อมก็ไม่ได้ดูที่ว่ามีเงินมากขึ้นหรือน้อยลงเพราะคนที่ไปโกงเขาก็มีเงินมากขึ้นได้อย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเจริญความเจริญหมายถึงว่าเขาไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตใจเขามีความเมตตากรุณามากขึ้นไปจิตใจก็มีความสงบล่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นไป นี่ต่างหากเป็นอนิสง์ของการรักษาศีลดังที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้ในท้ายศีลว่าซีเลนันิบุติงยันติศีลเป็นเครื่องระงับดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้คนที่ไม่ไปก่อกรรมทำเข็ญสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจิตใจจะสงบจิตใจจะไม่วุ่นวายแต่คนที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้น จะต้องมีความหวาดระแวงมีความกังวลมีความวิตกกลัวจะต้องถูกเขามาเรียกเอาคืนไปคือมาทำร้ายเราเมื่อเราไปทำร้ายเขาเราก็ต้องคิดว่าเขาก็จะต้องมาทำร้ายเราแต่คนที่ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่เบียดเบียนกับผู้อื่นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขเพราะจิตใจไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวนั่นเอง นี่ก็คือความหมายของศรัทธาความเชื่อที่นำไปสู่ความจริงหลังจากที่เราได้พิสูจน์เห็นความจริงแล้วต่อไปใครจะพูดอย่างไรว่าทำบาปแล้วดีก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่กังวลเพราะเรารู้ว่าคนที่พูดแบบนัง้งนเป็นคนตาบอดเป็นคนที่ไม่ได้สัมผัสกับความจริงนั่นเอง เหมือนกับที่ศรัทธาญาติโยมได้มาที่วัดญาณได้เห็นสภาพต่างๆของวัดญาณว่าเป็นอย่างไรเวลาใครเข้ามาพูดบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้เพราะเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสภาพของวัดญาณ น, นี้เป็นอย่างไรแต่เราจะรู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงเพราะเราเห็นความจริงแล้วนั่นเองนี่ก็คือความหมายของการมีศรัทธา ที่นําไปสู่การปฏิบัติด้วยความวิริยะด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาโดยเกิดความรู้ความเห็นแจ้งขึ้นมาภายในใจเมื่อมีความรู้ความเห็นแจ้งภายในใจแล้วก็เท่ากับมีเบรกไว้ระงับจิตใจเวลาจะโกรธก็จะไม่โกรธเพราะรู้ว่าเวลาโกรธขึ้นมานั้นเราเป็นผู้เดือดร้อนใจของเรา ร้อนเหมือนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเวลาเห็นอะไรอยากจะได้ก็รับความอยากได้เพราะรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นคืออยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขเวลาอยากจะได้อะไรอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องไปขวนขวายต้องไปวิ่งหามาอย่างนี้จะรู้ทันทีจะเบรกใจได้ทันที แต่ถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาทำบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราจะไม่มีเบรกไว้เบรกใจเวลาเกิดความอยากอะไรขึ้นมาก็จะหยุดใจไม่ได้อยากจะกินเหล้าก็หยุดไม่ได้อยากจะเล่นการพนันก็หยุดไม่ได้ออกไปเที่ยวกลางคืนก็หยุดไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่แก่ใจ เพราะเราเป็นเมืองพุทธมีคนสั่งสอนมีศาสนาคอยสั่งสอนอยู่เสมอว่าอบายยมุขนั้นเป็นความเสือ่อมเป็นสิ่งที่จะทําลายเผาผลาญความเจริญความสุขของเราให้หมดไปทั้งๆ ท, ที่ได้ยินได้ฟังรับรู้อยู่แต่เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่มีเบรกเพราะไม่ได้เข้าวัดไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้มาสร้างศรัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญานั่นเองเมื่อไม่มีเบรกก็เหมือนกับรถที่เมื่อไปถึงสีแยกไฟแดงก็ต้องชนแหลกเท่านั้นแหละก็เหมือนกันเมื่อเราห้ากข้ามจิตใจของเราไม่ได้เราก็ต้องไปทําในสิ่งที่นําความเสื่อมเสียมาให้จนในที่สุดก็จะต้องเดือดร้อนวุ่นวายหมดเนื้อหมดตัวดีไม่ดีก็หมดชีวิตไปด้วยเพราะเมื่อหมดเนื้อหมดตัวแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปทำไมก็ฆ่าตัวตายเสียเลยนี่ก็เป็นผลที่จะตามมาต่อไปถ้าเราไม่มีเบรกไว้คอยเบรกใจเราเวลาเราเห็นอะไรอยากจะได้อะไรเกิดความโลภขึ้นมาหามาด้วยลำแข้งลำหาาด้วยสติปัญญาของตนเองไม่ได้ก็ต้องหามาด้วยวิธีช่อคโคลไปรักไปขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น เวลาเห็นสามีภรรยาของคนอื่นอยากจะได้เขามาครอบครองก็จะเบรกหักห้ามจิตใจไม่ได้เพราะไม่มีเบรกนั่นเองก็ต้องไปเป็นชู้กับเขาอย่างนี้เป็นต้นไปเป็นเมียน้อยของเขาเป็นเป็นสามีน้อยของเขาอย่างนี้ก็อยู่แบบไม่มีเกียรติอยู่แบบหลบๆลบซ่อนๆอนอยู่แบบขโมยอย่างนี้มันจะดีที่ตรงไหนแต่ก็ต้องเอา เพราะสู้ความอยากไม่ได้ความอยากมันล้นเหลืออยู่นภายในใจอยากจะสุขอยากจะสบายให้คนแต่งงานกับเขาแล้วเขาจะได้เลี้ยงดูเราถึงแม้จะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยก็ยอมเป็นนี่เพราะความเกียจคร้านเนี่ยถ้าคนเรามีความขยันแล้วรับรองได้ว่าความเสื่อมมันจะไม่กใกล้ถึงตัวเรา เพราะเมื่อเรามีความขยันตั้งแต่เด็กเราก็ขยันเรียนหนังสือขยันทำงานช่วยพ่อช่วยแม่ขยันหาเงินหาทองเพื่อไปเรียนหนังสือเมื่อเราเรียนจบเราก็ขยันทามาหากินเราก็จะมีเงินมีทองเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานเราก็จะเป็นคนที่มีคนชื่นชมยินดีเพราะระหว่างคนเกียจคร้านกับคนขยันนั้นมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีค่ากับไม่มีค่า เหมือนทองกับก้อนอิฐ ก, ก้อนปวดอันไหนจะมีค่ากว่ากันทองคํามันย่อมมีค่ากว่าก้อนอิฐ ก, ก้อนปวดคนก็เหมือนกันคนที่มีความขยันกับคนที่เกียรติคาร น, นี้มีค่าแตกต่างกันไม่มีใครอยากจะคบกับคนเกียรติคานหรือแต่ชอบคบกับคนขยนันเวลาเราไปอยู่ที่ไหนกับใครถ้าเราเป็นคนขยนันรับรองได้ว่า จะมีแต่คนเขารักเขาชื่นชมยินดีเวลาเราจากไปเขาก็เสียดายเวลาเรากลับไปหาเขาเขาก็จะดี อ, อกดีใจแต่ถ้าเราเป็นคนเกลียดครานไปอยู่กับใครก็มีแต่คนสาบแช่งมีแต่คนขับไล่อยากจะให้ไปไกลๆอยู่ก็มีแต่จะดูดมีแต่ดูดทรับดูดความจเจริญของสถานที่ของคนเหล่านั้นไปเขาจึงไม่ยินดี ไม่อยากจะให้มีคนเกียรติค้านอยู่อยู่อยู่อยู่ด้วยมีแต่อยากจะขับไล่สายส่งเวลาไปเขาก็มีแต่ความโล่งโล่งใจเวลากลับมาเขาก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายเห็นแล้วก็เบื่อนี่คือคุณค่าของความเกียรติค้านกับความขยันนี่ถ้าเราไม่ได้มาวัดเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่เกิดปัญญา เพราะเราจะถูกความหลงคอยหลอกคอยสอนเราให้เห็นผิดเปนชอบทาไมคนเราถึงเกลียดคร้านก็เพราะมีความหลงมันครอบนาจิตใจไม่ได้มีปัญญาแสงสว่างคอยเตือนคอยสอนคอยบอกว่าความเกลียดคร้านนี้จะเป็นตัวทาลายไม่ใช่เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเรามาวัดเรามาได้ยินได้ฟังธรรม เราก็จะเกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อเรารู้แล้วว่าความเกลียดครานี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นเหมือนยาพิษเราก็จะไม่เข้าใกล้เราจะไม่หยิบเข้ามากินอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ใช่เป็นยาไม่เหมือนปัญญาปัญญานี่เป็นเหมือนกับยามีปัญญามากน้อยเท่าไหร่ก็จะสามารถรักษาโรคใจได้มากน้อยขึ้นเพียงนั้น โรคใจคืออะไรก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวทั้งหลายเกิดจากความหวาดกลัวในความแก่ความเจ็บความตายหวาดกลัวในการพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้ามีปัญญาแล้วปัญญานี้จะทำให้จิตมีความกล้าหาญไม่มีความกลัวเพราะปัญญาจะสอนจิตให้รู้ว่าสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายไป ไม่ใช่เป็นตัวจิตสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายเป็นร่างกายกันงหากแต่ตัวจิตผู้กลัวความแก่ความเจ็บความตายหาได้แก่หาได้เจ็บหาได้ตายไปกับร่างกายไม่ เ, เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจะเห็นเมื่อจิตวม ล, ลงเป็นสมาธิจะเห็นว่ากายกระจายนั้นเป็นคนละส่วนกันเป็นเหมือนกับน้ำกับขวดน้ำ เวลาอยู่ในขวดน้ำน้ำเวลาอยู่ในขวดน้ำมันจะรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเราเทน้ำออกจากขวดใส่ไปในแก้วเราก็จะรู้ว่าน้ำเป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมด้วยสติทำจิตให้สงบเวลาจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิแล้วกายกับใจก็จะแยกออกจากกันกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่ง แล้วเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่ากายนั้นไม่ใช่เรากายไม่ใช่ใจใจกับกายเป็นคนละส่วนกันเวลากายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามไปด้วยคนที่มีปัญญาที่จึงไม่เจ็บเวลาเกิดเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ใจไม่ได้ไปเดือดร้อนวุ่นวายไปหวาดวิตกว่าโลกนี้จะหายหรือไม่จะตายหรือเปล่า อย่างนี้จะไม่มีในใจของคนที่มียาธรรมโอสถคือปัญญานี่คือความหมายของการได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนำธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติขอให้ลองเอาไปปฏิบัติเถอะด้วยความวิริยะอุตสาหะทาบุญทำทานได้มากน้อยเพียงไรก็ขอให้ทาอยู่อย่างสม่าเสมอทาทั้งที่อยู่ที่วัด และทำที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่นอกบ้านนอกวัดทำได้ทุกแห่งทุกคนไม่มีจำกัดสถานที่และเวลาศีลก็พยายามรักษาไว้ให้ดีอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นพยายามเจริญสติอยู่เสมอเวลาเราคิดอะไรขอให้มีสติรู้อยู่เมื่อรู้แล้วเวลาจะคิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะยับยั้งได้เช่นจะ ไปเศษสุรายาเราพอรู้ว่าคิดอย่างนั้นก็ระงับได้พอคิดว่าจะไปเล่นการพนันก็ระงับได้จะไปพูดปดมดเท็จก็ระงับได้ต่ไปช่อฉนไปโกผู้อื่นก็จะระงับได้เพราะเรามีสติและเรามีสมาธิเพราะจิตเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันและมีปัญญารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชัว เมื่อเรารู้เหล่านี้แล้วเวลาจิตจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็เบรกจิตได้เพราะมีเบรกนั่นเองนี่แหละคืออานิสงส์งผลอันดีงามที่เรามาเวลาที่เรามาวัดเราจะได้รับกันเราจะได้มาสร้างเบรกให้มีกำลังมากยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเป็นเบรกที่เบรกได้ร้อยเเซ็ แม้กระทั่งพบชาติก็เบรกไดนะ้อย่างเบรกของพ่อระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันต์คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาของพอระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายนั้นเป็นของที่เต็มเปี่ยมร0อยเปเซ็มีอนุภาพมีพลังร้อยเปซจึงสามารถหยุดตัณหาทั้งสามได้ อย่างเด็ดขาดหยุดการมาตัญหาความอยากในการหยุดภาวตัญหาความอยากมีอยากเป็นหยุดวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้โดยสิ้นเชิงเมืม่อหยุดได้โดยสิ้นเชิงแล้วภพชาติที่ต้องอาศัยความอยากทั้งสามนี้เป็นตัวพาไปก็ไม่มีต่อไปพระพุทธเจ้ากับพระอหลานสาววงทั้งหลายจึงไม่ไปเกิดอีกต่อไป จิตของท่านหยุดแล้วเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อไม่เกิดทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเพราะเมื่อไม่เกิดแล้วจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนความทุกข์มันมาเพราะต้อง ม, มีการเกิดเมื่อเกิดออกมาออกมาจากท้องแม่ก็ร้องห่มร้องไห้แล้วแล้วเมื่อแก่ก็ทุกข์แล้ว เมื่อเจ็บ่ายได้ป่วยก็ทุกข์แล้วเมื่อตายก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าไม่เกิดแล้วจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนและการที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องมีเบรกใจนั่นเองเบรกความอยากทั้งสามไม่ไปอยากกับอะไรอีกต่อไปในโลกนี้มอเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจอย่างเดียวเพราะทุกขทั้งหลาย ที่เกิดจากความอยากนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะมีเบรกใจมีศรัทธาเต็มเปี่ยมเต็มร้อยมีวิริยะความภาคเพียรเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยมีสมาธิเต็มร้อยมีปัญญาเต็มร้อยเมื่อมีธรรมเหล่านี้เต็มร้อยแล้วก็เท่ากับมีเบรกเต็มร้อยในหัวใจ เมื่อเบิกเต็มร้อยในหัวใจแล้วเรื่องการที่จะไปก่อเวรสร้างกรรมเรื่องการที่จะไปสร้างพบสร้างชาติอีกต่อไปก็จะไม่มีกับจิตดวงนั้นอีกต่อไปจิตดวงนั้นก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตดวงนั้นก็หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเป็นจุดที่มีแต่บรมสุขอยู่เท่านั้นไปตลอดอนันตการนี่เป็น ผลที่จะตามมาสำหรับท่านที่มีความวิริยะอุตสาหะมาวัดอย่างสม่ำเสมอ